หลวงพ่อให้ท่านอาจารย์รัตนะร่างหนังสือแต่หลวงพ่อให้คำบอกกล่าวว่าควรจะร่างลักษณะอย่างไรอย่างไงอย่างไงท่านเคยร่างขึ้นมาในการมอบรถมอบรถให้แก่ ส, สอพอนายุงฟังๆตอนนนหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังถ้งว่า ตรงไหนที่มันแต่ว่าลุงพ่อบอกว่ายาวเกินไปในในใจนะแต่ก็คงจะตัดออกตอนท้ายๆนะแต่ก็ท่านล่างมาแล้วก็ต้องอ่านอ่านดูหัวร่างแต่ยังไม่จริงท่านขึ้นตนว่าเกื้อกูลกันและกันด้วยมุ่งจิตเมตตาคณะสงฆ์พร้อมคณะสัทธายาตโยวัตปานาขำน้อยได้พิจารณาเห็นความจำเป็นเกี่ยวกับการขาดแคลนยานภาณนะ ในภารกิจเพื่องานพิทักษ์สันติราชของสถานีตำรวจภูทร อ, อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีโดยสภาพพื้นที่ตั้งแต่ที่ตั้งของอำเภอนายูงเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดสภาพภูมิประเทศยังเป็นป่าเขาลาเนาไพ่ทางสัญจรไปมายังอยู่ในสภาพทุรกันดารประกอบกับการที่ยานพาหนะของสถานีตำรวจประสบอัคคีภยัย เมื่อปลายปีพศ .2549 ยิ่งทำให้ยานพระนาที่มีแต่เดิมจำนวนสองคันคันที่หลงเหลืออยู่ก็ใช้งานมานานกว่าสิบปีส่วนคันที่ประสบภัยอักขีภัยเป็นคันใหม่กว่าเคยถวายงานรับใช้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ยามท่านกลับจากบินทบาทหรือไปช่วยในภารกิจอื่นที่วัดสนับสนุน ทางวัดได้คำนึงถึงอุ ป, อปกระคุณดังกล่าวนี้ไว้อยู่ในใจเสมอเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาวะความขาดแคลนด้านยานพาหนะดังกล่าวคณะสงฆ์ได้หารกอร่วมกับท่านในอาเภอนายูท่านผู้กากับตารวจภูธรสพนายูเป็นต้นต่างอนุโมทนายินดีในการที่วัดได้พิจารณาเห็นความจำเป็นและจะทาการ มอบรถให้แก่สอพอนายูไว้ใช้ในราชการจนในที่สุดได้มีวันนี้คือวันที่21สิงหาคม2550คือวันมอบรถกระบะยี่ห้อนิสสันนาวาราสี่ประตูแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ใช้ในราชการของสอพอนายูจวบอุดรธานีโดยมีท่านผู้บังคับการเป็นประธานรับมอบ วัดเองได้มองเห็นความสำคัญของภารกิจเพื่องานพิทักษ์สันติราชได้ร่วมสนับสนุนโรงพักทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรมเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานสพนายุงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีจังหวัดมุกดาหารเป็นต้นโดยเฉพาะกับสพนายุง ทางวัดได้สร้างถาวรวัตถุและมอบแก่ทางราชการดังนี้ 1. สร้างอาคารพิทักษ์สันติธรรมเพื่อเป็นที่ทำการและที่พักของสายตรวจของสอพอนายงและบอบให้เป็นสมบัติของราชการเมื่อวันตำรวจแห่งชาติวันที่13ตุลาคม2548 2. ส, สร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนพิทักษ์สันติธรรม ในพื้นที่สพนายูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการเมื่อวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่หทธันวาคม2549ด้วยการสนับสนุนภาร ก, กิจของตำรวจดังกล่าวตำรวจภูธรภาคสี่ได้มอบประ ก, กาศเกียรติคุณความว่าพระอาจารย์ินถวายสันตุสโกวัดปานคาน้อย เป็นผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิ จ, จกรรมของตำรวจภูธรภาค4จึงขอประกาศเกียรติคุณความดีเพื่อเป็นที่ประจักษ์สืบไปให้ไว้ในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2549ลงนามโดยพลตำรวจโทสถาพรดวงแก้วผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ในขณะนั้นนอกจากการสนับสนุนด้านรูปธรรมข้างต้น มัดยังได้ช่วยสงเคราะห์เรื่องอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสพนายงเป็นต้นวัดและลงพักจึงนับได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นทั้งผู้บังคับบัญชาทุกท่านของสพนายงและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายพร้อมครอบครูได้เกี่ยวข้องกับวัดเข้าวัดช่วยงานวัด สนับสนุนภารกิจของวัดในโอกาสต่างๆโดยดีเสมอมานับเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากของความสัมพันธ์ที่เป็นการมุ่งเกื้อกูลกันโดยที่โรงพักมาเกี่ยวข้องกับวัดวัดไปเกี่ยวข้องกับโรงพักนอกจากจะมีการสงเคราะห์กันละกันด้านวัตถุหรือด้านอาหารภายนอกแล้วการสงเคราะห์กันด้านนามธรรม เป็นส่วนอาหารใจเพื่อการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจวัดก็ไม่เคยมองข้ามเพราะถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้มนุษย์เราที่เกิดมาได้รับความสมบูรณ์พูนถุกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพราะแม้จะอยู่ในชนบททางไกลตํารวจไทยก็มีความผาสุขใจได้เพราะอยู่อย่างพอเพียง และอยู่อย่างรู้จักอ่อท้ายที่สุดขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรุดนธานีเจ้าหน้าที่ทุกท่านและขอให้การมอบยานพาหนะในครั้งนี้สำเร็จผลสมเจตนารมณ์ดังกล่าวเบื้องตน้นพร้อมเป็นเครื่องหมายแห่งความร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยกันเป็นพลังผลักดันสังคมไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ในทิศทางที่ถูกต้องภายใต้หลักพุทธปรัชญาที่ว่าลมไทยเย็นกายร่มธรรมเย็นใจอันหมายความว่าภายใต้บา ร, รมีธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปวงประชามีกายสมบูรณ์ทูลสุขและภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาปวงประชามีใจสมบูรณ์ผุนผลแล้ววันนี้ฉันจังหันเสร็จนะทางฝ่ายพระ ก็คงจะออกไปไประชุมเพลิงหรือเผาศพโยมอุปถธรรมพระธาวัดของเราที่หลวงพ่อได้กล่าวสองสามวันติดต่อกันเป็นโยมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนวัดของเราทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องทั้งตัวท่านเองเป็นคนซื่อสัตย์มากเลยเป็นผู้หาได้ยากในสายตาของหลวงพอ่อแล้วก็ลูกของเขาห้าหกเจ็ดคนก็เป็นคนดีอีก ในการสนับสนุนวัดของเรามาโดยตลอดเพราะนั้นมาถึงคราวนี้มาถึงจุดจบของเขาอายุก็ไม่มากเท่าไหร่ไทยจะว่ามากก็มากอยู่68ปี68 69ปีเกี่ยวกับหัวใจนะหัวใจล้มเหลวก็เป็นหัวใจมานานแล้วละ่ะแต่เวลาจะไปก็ป๊อกทีเดียวอ่ก็ทั้งที่ผูด้ได้กินข้าวได้อะไรได้แต่พอจะไปก็เนื่อยเหนื่อยเน่อยขึ้นมาก็ไปก็เลยม ร, รณภาพ วันวานวันก่อนนะวันนี้จะเป็นงานไประปชุมเพลิงที่วัดบ้านจิกจังหวัดอุดร น, นะฉะนั้นทางในครัวกับที่หลวงพ่อได้พูดไว้แล้วใครบ้างจะเดินทางไประปชุมเพิงไปส่งขึ้นเครื่องงั้นไปต่างประเทศยมได้รับวีซ่าแล้ววงั้นเหรอได้รับวีซ่าจากยมมาถูด ใครเกิดมาจมาทูตเขาก็เขียนวีซ่าให้ทุกคนพวกเรานั่งด้วยกันต่างคนก็ต่างได้รอรอวีซ่าของใครของเราอยู่ถ้าหาว่าวีซ่ามาถึงเมื่อไรเมื่อนั้นพวกเราก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศตามลาพังเหมือนกันเถะเพราะนั้นเวลามาเราก็มาคนเดียวเวลาไปเราก็ไปคนเดียวอีกเหมือนกันเพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลไม่ควรประมาทสรุปแล้ว ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเมื่อเราอขึ้นเครื่องไปแล้วก็ไปตามลําพังแบบเดียวดายไม่ได้เอาพอ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเอาเพื่อนเอาฝูงเอาลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยเพราะงั้นไปตามลําพังนี่แหละข่าวนี้ก็คือถึงข่าวโยมเดินทางไปต่างประเทศเพราะงั้นข่าวนี้ตาฆ่าข่าวหน้าตาเองเพราะงั้นข่าวนี้ตาฆ่าข่าวหน้าตาเองเออ น่นเรีว่าต่อต่อตเตรียมตัวเอาไว้ตอต่อต่เตรียมตัวตายฮเตรียมตัวตายไม่ใช่เตรียมหีบเตรียมโรงไม่ใช่ยังนั้นนะของพันนั้นไม่ต้องเตรียมก็ได้เอาจัดการให้เขาไม่ให้อยู่นั่นหรอกเขากลัวจะเหม็นฮเขาจัดการเองแต่ว่าตอต่ของเราเนี่ยส่วนตัวของเราเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไว้ให้มากอย่างที่พระพุทธเจ้าเตือนพ่อของนายช่างทอง ในช่างทองเป็นลูกศิษย์นะเขาทำวัดไปวัดไปว่าฟังธรรมรักษาศีลแต่พ่อเฉยไม่ได้สนใจอยู่ในบ้านแต่ลูกชายเนี่ยไปวัดไปว่าเป็นประจำออจะทำอย่างไรพ่อของข้าพ่อของเรานี่จะรู้จักศีลธรรมคือเขาก็อยากจะสงเคราะห์พ่อของเขาว่างั้นแต่ทีนี้เขาก็ได้มนพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันพัตนารที่บ้านเพื่อจะให้พ่อได้ทําบุญบ้าง ใช้ครว่าจุดประสงค์ของนายช่างทองแต่นดี้ก็พอมาถึงก็ใส่บาแต่นี้หนูจะทำยังไงได้พระพุทธเจ้ามาที่บ้านแท้ๆพอไม่มายังไงพอลูกทุกคนก็มาแล้วพร้อมหน้าพร้อมตากันพอที่มาถึงก็ตักบาทตักบาทเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ฉันประตาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ให้อวาดแล้วก็ให้พรให้อวาดพระพุทธองค์บอกว่า ญาติโยมอุบาสกท่านถามอุบาสกท่านจะต้องเดินทางต่างประเทศนะท่านจะต้องเดินทางไกลนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าท่านต้องเดินทางแล้วท่านได้เตรียมอะไรไว้บ้างในการจะเดินทางของท่านอาหารได้เตรียมไว้หรือยังประสำภาระที่จะเดินทางของท่านรองเท้าล่มเสื้อผ้า แล้ว ข, ของที่จะจำเป็นจะต้องได้ใช้ได้เตรียมไว้หรื อ, อยังแล้วได้คิดไว้อย่างไรว่าเมื่อออกจากที่นี่แล้วเราจะไปพักที่ไหนจะไปพักที่ไหนในการเดินทางของเราได้คิดไว้หรื อ, อยังถ้าไม่คิดไว้ก็ให้คิดไว้แต่บัดนี้นะต้องได้เดินทางแน่ถ้าไม่คิดไว้ถ้าไม่เตรียมการเอาไว้ท่านจะต้อง ประสบความทุกข์แน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเตือนพ่อของนายช่างทองความหมายก็คือว่าท่านจะต้องตายแน่นะแต่ก่อนที่จะตายท่านได้เตรียมอะไรไว้บ้างท่านได้สั่งสมบุญกุศลอะไรไว้บ้างถึงเมื่อท่านจะต้องจากไปแต่ถ้าว่าท่านไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เมื่อท่านเดินทางไปเดินทางไกลไป ท่านไม่มีจุดหมายปลายทางว่าไปจะพักที่ไหนการว่าพักของท่านเนี่ยคล้ายๆกับว่าออกจากนี้แล้วเราสังส ม, มบุญกุศลเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะต้องเกิดเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำขอให้เกือ้อกูลหนุนข้าพเจ้าให้ไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่มีความสุขความเย็นใจหรือว่าท่านบําเพ็ญเป็นที่เชื่อมั่นว่าใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเกิดญาณทัศนะจนจะได้เกิดเป็นพรอมหรือว่าท่านได้เป็นพัะโสดาบันพระสกทาคาอนาคาพระรหันท่านก็รู้แก่ใจว่าท่านจะไปพักที่ไหนเพราะนั้นให้ท่านได้เตรียมตัวไว้เลยอย่างที่ท่านจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้า อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเตือนพ่อของนายช่างทองในกรุงสาวัตถีจากนั้นพระองค์ก็อนโมธนาให้พรนะครับจากไปกลับไปอุบาสกคนนั้นพอได้ยินก็สะอึกเหมือนกันเหมือนนั้นเอิดจะต้องเดินทางจากนั้นเขาก็เลยฟังในโอวาท ด, ด้วยบุญกุศลเก่าของเขามีเขาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันบันถึงบันไดขั้นต้นกะ็ะนับว่าเป็นบุญกุศลของเขาอย่างยิ่งใหญ่ ที่ลูกชายของเขาในมณฑปพระพุทธองค์พร้อมพระสงฆ์มาฉันพัฒหารที่บ้านพระพุธองค์ก็มาเพื่อจะโปรดพ่อของนายช่างทองคนนั้นได้สําเร็จพระสุตาบันในขณะที่ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าคือจิตโน้มนาวไปตามที่พระพทธองค์ได้แนะนําสั่งสอนจิตใจเข้าสู่กุศลกุศลและจิตบางอันนั่นแหะอันนี้พระพุทธองค์ท่านก็เคยตรัส <c oughs> เคยบอกมาแล้ว เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านที่ในวันนี้ก่อนนะ่ะเขาเดินทางต่างประเทศพวกเราก็จะได้ไปส่งเขาละวันขึ้นเมนบางงั้นแหละยังเหลือแต่กระดูกเท่านะะั้นเองตัววิญญาณของเขาใจของเขานั้นเขาจะต้องเดินทางต่างประเทศไม่รู้จะไปที่ไหนถ้าเขาเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเขาเตรียมพร้อมเอาไว้เขาก็คงจะเดินไปได้ดีไปสู่สุคติ แต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเขาคงจะไปตามบาปอกุศลของเขาะไปนั้นแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าโยมทศสังสมมาส่งสมบุญกุศลมาด้วยดีแต่คิดว่าคงจะเป็นการพร้อมของเขาเหมือนกันเตรียมพร้อมของเขาเหมือนกันเขาคงจะเป็นทางดีในความรู้สึกของหลวงพ่อเพราะว่าเขาทําความดีมาโดยสม่ําเสมอ เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เตือนกล่าวทางนี้ก็คือนี่แหละมรณงเมภาวิสติชีวิตของพวกข้าพวกเราทุกท่านจะถึงจุดจบแน่นอนมรณังก็คือความตายเมก็คือค่ามรณะนุสติก็คือจะต้องตายในวันหนึ่งแต่ทั้งนี้ท้งนั้นไม่ใช่พูดขู่กันนะไม่ใช่พูดขู่กันแต่ ว, ว่าเตือนกันให้รู้ว่าอย่าประมาทเกินไปนะ เกิดมาในโลกนี่มีจุดจบโลกก็จะโลกเกินไปโกรธให้ใครก็จะโกรธเกินไปโหลงรักใครก็จะหลองรักเกินจนเกินไปอีกสักวันหนึ่งจะต้องแยกย้ายกันกลับต่างประเทศไม่ได้ไปพร้อมกันน ะ, ะต่างคนก็ต่างไปถ้าว่าบุญกุศลของเราได้สั่งสมมาดีแล้วอาจจะไปเจอกันข้างหน้าก็ได้แต่ถ้าหว่าพวกเราต่างคนก็ต่างทำความเห็นไม่ตรงกัน คนหนึ่งอยากจะไปวัดคนหนึ่งจะไปเที่ยวฮคนหนึ่งจะจะไปตกปลาคนหนึ่งจะจะไปทําบุญนั้นเดินทางคนละทิศ ท, ทางกันแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าว่าไปด้วยกันไปทําบุญด้วยกันสร้างกุศลด้วยกันนะจิตใจเป็นแนวกุศลดียวกันก็จะต้องไปเจอกันในภายภาคหน้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อกล่าวเตือนย้าให้แก่พวกเราให้สํานึกไว้อยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน อีกสักวันหนึ่งจะต้องจากไปและก็พร้อมกันไม่ศูนย์นะวิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วไม่ศูญดวงวิญญาณนั้นแหละจะพาไปสู่ทุกขติหรือสู่สุขคติไปในภพภูมิต่างๆได้ถ้าว่าเรามีบุญกุศลก็อย่างที่พ่อในช่างทองนั่นแหละท่านก็จะได้ไปสู่สุขติอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านพูด เตือนอุบาสกอุบาสิกาหลวงพ่อวันน้าฟังทีเดียวนะหน้าฟังว่างั้นเป็นคําพูดที่เป็นคําตรัสออกมาหน้าฟังทีเดียวน่าศึกษาหน่าไข้ควรไตรตรองตามที่พุท ธ, ธตัดออกมานะตอนนี้ไปรับพรนะทีนี่นะอนุโมทนาให้พร